กลไกสําคัญที่สุดที่ทำให้สังสารวัตรหมุนไปด้วยการไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษคือการเกิดใหม่แล้วลืมหมดธรรมชาติการเวียนว่ายตายเกิดหรือที่เรียกว่าสังสารวัตนี้ไม่มีใครสร้างชาติแรกไม่มีมีแต่อวิชชาเป็นมูลตั้งต้นอันเป็นที่มาของการทำทำไปแบบไม่รู้พูดพูดไปแบบไม่รู้ คิดคิดส่งเดชแบบไม่รู้ว่าจะต้องได้รับอย่างไรในชาติต่อมายิ่งคิดยิ่งพูดยิ่งทำกรรมขาวเท่ากับยิ่งสะสมกองบุญแต่ยิ่งคิดยิ่งพูดยิ่งทำกรรมดำเท่ากับยิ่งสะสมกองบาปและกล่าวได้ว่าโลกและจักรวาลถือกาเนิดจากกองบุญกองบาปของเราสาัตว์รวมกันเพราะกองบุญกองบาปต้องการหาที่ลง ต้องการเวทีรับผลกรรมและเวทีสร้างกรรมต่อเหตุผลที่พวกเราถูกบังคับให้ลืมชาติก่อ น, นกลไกสำคัญที่สุดที่จะให้สังสารวัฏหมุนไปด้วยความไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษคือการเกิดใหม่แล้วลืมหมดถ้าสังสารสัตร์ไม่ลืมถ้าคืนปล่อยให้จำกันได้ว่า ตนเคยทำอะไรมาจึงได้ที่เกิดดีๆแบบนี้หรือได้หน้าตาสวยหล่อขนาดนี้เหล่าสัตว์คงตั้งหน้าตั้งตาทำแต่ความดีและมีแต่ความสุขกันหมดเกิดปัญญาเห็นความไม่เที่ยงปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นกันหมดตอนตายจะรู้ชัดว่ากายใจไม่ใช่ตัวตนกันหมดเลยได้ไปนิพพานกันหมดหมดการเกิดการตายที่จะมาหมุนวงเวียนสังสารวัฏกันพอดี สังสารวัตเข้าใจร้ายไม่ปล่อยบรรดาลูกหาบทุกไปง่ายนักก็เมื่อการเกิดเป็นมนุษย์คือการมีสกยภาพที่จะหลุดพ้นไปเขาก็ต้องมุ่งกีดกันไม่ให้มนุษย์ได้ใช้สกยภาพของตัวเองด้วยการลบความทรงจาเก่าทิ้งให้เกลี้ยงแล้วยัวย่วยวนชวนให้ติดหลงด้วยเหยื่อล่อตาเหยื่อล่อใจใหม่ๆคิดแต่ว่าทาอย่างไรจะได้มาไม่อยากคานึงหรอกว่า วิธีได้มาเป็นบาปหรือเป็นบุญกลไกที่สังสารวัตรใช้ในการลบความจำได้แก่จุติจิตอันเป็นภาวางใหญ่เป็นจิตสุดท้ายในภพเก่าอาจมืดหรือสว่างกับปฏิสนธิจิตอันเป็นภาวังสืบเนื่องถ้าของเก่ามืดของใหม่ก็มืดถ้าของเก่าสว่าง ของใหม่ก็สว่างตามแต่จะสว่างหรือมืดก็เป็นภาวะลืมเนื้อลืมตัวเหมือนเหมือนกันหมดนอกจากนั้นยังมีเก้าเดือนในท้องที่หลับๆตื่นตื่นสลืมสลือที่เรารู้ว่าทารกในท้องมีความฝันก็เพราะวันแรกๆหลังคลอดออกมาเด็กหลับแบบมีการกรอกตาเร็ว ซึ่งเป็นสัญญาณบอกว่ากำลังฝันและนั่นก็เป็นมูลชี้ว่าขณะอยู่ในท้องก่อนหน้านั้นทารกก็ต้องมีความฝันด้วยเปรียบเทียบง่ายๆขอให้คุณนึกดูแต่ละเช้าที่ตื่นจากหลับฝันมัวสัวคุณต้องทบทวนความจำอยู่อึดใจหนึ่งเมื่อวานเกิดอะไรบ้างวันนี้ ตั้งใจทำอะไรบ้างบางเช้าอาจหนักถึงขั้นเอ๊ะฉันเป็นใครชื่ออะไรแต่นี่ตอนอยู่ในท้องถูกดองอยู่กับการหลับๆตื่นตื่นแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเป็นเวลาเก้าเดือนก็คงต้องสรุปว่าวิธีเกิดใหม่แบบมนุษย์เคยยังลบความจำขนาดมหฮือมาหลังออกจากท้องเซลล์ประสาทเกี่ยวกับความจำของมนุษย์ ถูกกระตุ้นด้วยประสาทสัมผัสแรกในชาตินี้และหลังจาก3ถึง5ปีผ่านไปจะเกิดเซลล์ใหม่จำนวนมหาศาลทับเซลล์เก่าๆไปจนหมดนั่นคือเหตุผลว่าทาไมเด็กน้อยจึงเป็นอัลไซเมอร์จำตัวเองในปีแรกๆ ก, กันไม่ได้เดียว่าแต่จะให้ไปจำภาวะก่อนเข้าท้องแม่เลยนอกจากนั้นธรรมชาติ ยังบีบให้ร้องไห้จ้าง่ายๆบ่อยๆ อ, อยากได้แบบดิบๆเรียกร้องแบบดือ้อๆความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองจึงยิ่งพราเเลือนสมองสับสนปนโน่นปนนี่และเทจะมีก็เพียงประสบการณ์เด่นๆไม่กี่ครั้งที่สมองยอมให้บันทึกแบบอย่างรากลึกไม่ลืมไปจนตายส่วนเด็กและหลายคนที่ระลึกชาติได้ ก็เพราะเกิดใหม่ใกล้พื้นที่เดิมอย่างเช่นหลายคนในหมู่บ้านตะคร้อที่มีผู้คนและสิ่งแวดล้อมเก่าๆ ก, กระตุ้นให้จำได้เนื่องจากช่วงสามปีแรกเป็นช่วงที่ความจำเก่าหรืออดีตสัญญาถูกกระตุ้นให้กลับเข้าสู่ห่วงระลึกได้ง่ายต่างจากคนส่วนใหญ่เมื่อถูกบุญบาปสัต์ไปอยู่พื้นที่อื่นหรือพบภูมิอื่นก็ไม่มีเครื่องกระตุ้นให้ระลึกได้กัน แม้จะเริยนสติแบบพุทธเป็นก็ไม่มีอะไรประกันว่าจะระลึกชาติได้เพราะถ้าอยากระลึกชาติก็จำเป็นต้องฝึกให้จิตเกิดสมาธิถึงขั้นแจ่มชาติยิ่งยวดกล่าวคือจิตใสใจเบาปล่อยโปร่งเป็นหนึ่งไม่มีความฟุ้งซ่านรบกวนเท่ายองใหญ่แล้วระลึกแบบย้อนทางว่าภาวะทางกายใจเป็นอย่างไรในนาทีนี้ในชั่วโมงก่อน ในวันก่อนในสิบปีก่อนในช่วงแรกเกิดและจึงทะลุไปถึงตอนอยู่ในท้องและก่อนมาเข้าท้องในที่สุดซึ่งจะมีสมาธิแจ่มชัดยิ่งยวดเช่นนั้นทำกันได้ไม่ถึงหนึ่งในพันหนึ่งในมื่นของผู้ฝึกสรุปแล้วเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสสังสารวัตรนี้โอกาสไปดีนั้นมีน้อย โอกาสถึงนิพพานยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่สังสารสัตว์วิบากอยู่ด้วยอวิชชาไม่รู้ว่าวิบากของกรรมมีจริงแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าถ้าไม่อยากเกิดใหม่จะต้องทำอย่างไรบ้างจนกว่าจะมีมหาบุรุษเช่นพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และมีพระญายิ่งใหญ่พอจะเผยแพร่ทางออกให้กับเหลาเวนยสัตว์ผู้สมควรรู้ตามกันได้